สวัสดีกับท่านเจ้าหน้าที่และก็ชาวคณะออยอชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธา ร, รณสุขได้เกียรติเชิญผมมาพูดในหัวข้อที่ว่าจิตสดใสแม้กายพิการที่จริงเรื่องจิตสดใสแม้กายพิการเนี่ยสรุปลงมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องกายกับเรื่องจิตกายกับจิต เรื่องกายกับจิตนี่ไม่ใช่เรื่องของผมนะเรื่องของคนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่แหละเพราะทุกคนมีกายกับจิตจึงรวมเรียกว่าชีวิตหนึ่งชีวิตก็หนึ่งกายกับหนึ่งจิตเท่านั้นเ น, นี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่ควรจะรู้ไว้เรื่องของกายกับเรื่องของจิตมันเป็นทั้งหมดของปัญหาทั้งหลาย ผวเองในฐานที่ผู้มีประสบการณ์ก็เลยอยากมาแบ่งปันแบ่งปันเรื่องการดำเนินชีวิตที่อยู่ในกายในจิตเนี่ยอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์แม้แต่สภาพร่างกายจะเป็นเช่นไรก็ตามเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันจะสังเกต ด, ดูว่าถ้ามีกาย ถ้าปัญหาทางด้านร่างกายเกิดขึ้นมันก็มีผลต่อน้าจิตใจเหมือนกันอย่างเช่นว่าเวลาร่างกายป่วยไขย้ใจก็ต้องเป็นทุกข์กายป่วยใจก็พลอยจะป่วยด้วยเวลาร่างกายหิวบางทีเราก็มโมโหเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากเลยกายกับจิตเนี่ยกายเป็นผู้ที่เสนอเนี่ย จิตสนองตอบส่วนจิตใจก็เหมือนกันบางทีเรามีปัญหาทังนั้นจิตใจซึ่งไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยแค่จิตใจมันคิดมันเครียดมันฟุ้งซ่านมันไม่ได้อย่างใจนะมันพลอยให้ร่างกายเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่คล่องเหมือนกันนะอัเนี้ย ซึ่งแต่ละอย่างนี่มันมันไม่น่าเกี่ยวข้องเรื่องของกายร่างกายที่ป่วยไข้อันนี้คือส่วนของร่างกายแต่ทำไมจิตจึงต้องเป็นทุกข์ด้วยเราไม่สามารถจะปล่อยให้กายป่วยไปอย่างเดียวโดยที่ใจเป็นปกติไม่ต้องเป็นสุขเอาแค่เป็นปกติก็พอ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องของจิตใจใจที่มีปัญหามันก็ไม่เกี่ยวกับร่างกาย แต่กลับมีผลทําให้ร่างกายเนี่ยต้องสูญเสียความเป็นปกติมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหลายอย่างก็เพราะปัญหาด้านจิตใจเป็นต้นเหตุร่างกายต้องรับเอาไปเนี่ยเพราะสองอย่างนี่สัมพันธ์กันเนี่ยเราจะทํำยังไงที่ให้กายเป็นกายให้จิตเป็นจิตโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนหรือมีปัญหาต่อกันมีคํากล่าวของ อาจจะเป็นนักปรัชญาหรือนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเขากล่าวไว้นานมากสมัยมสมัยผมเรียนหนังสือเขาบอกว่าจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเคยได้ยินตรงนี้ไหมจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงก็ผมชอบตรงนี้มากเลยนะ เป็นเป็นบทเรียนที่เขามาใช้เรียนในวิชาพระราศึกษาเพะวเนี่ยคือตำราที่จะต้องปฏิบัติตามทำให้ร่างกายมันดีไว้จิตใจมันจะได้ดีด้วยตั้งแต่รั้วต้นมาเนี่ยผมก็เลยให้ความสำคัญของร่างกายมากตอนนั้นยังไม่พิการให้ความสำคัญกับร่างกายมากออกกำลังกายทุกวันออกกาลังกายทุกเชา้าทุกเย็น เรื่องของร่างกายก็ต้องเอาไว้ก่อนเรื่องจิตใจเนี่ยไม่รู้จักมันก็มีส่วนนะแต่เพราะร่างกายเราแข็งแรงสดชื่นแล้วเนี่ยมันพร้อยจิตใจเราดีด้วยวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้เรานอนไม่หลับมันขาดอะไรไปสักอย่างอันนี้แสดงว่าจิตใจเริ่มไม่ดีละเพราะเกิดความยึดมั่นถึงมั่นว่าวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายใจยเริ่มไม่ค่อยดีต้องออกกาลังกายแม้ันจะนอนอยู่แล้วนะ ต้องลุกออกไปวิ่งแล้วกนแล้วกลับมาอาบน้นนอนได้เนี่ยยึดมั่นถือมั่นในการดูแลร่างกายมากจนเกินไปแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องจิตใจรู้แต่เรื่องร่างกายอย่างเดียวทำให้มันแข็งแรงให้มันหล่อเข้าไว้จนกระทั่งต้องประสบอุบัติเหตเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยเราชอบการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายเนี่ยทาให้เราต้องพิการอย่างเนี้ย โดยนึกไม่ถึงมาก่อนก็ได้ไปกระโดดน้ํานียสอนนักศึกษาว่ายน้ำกระสาที่กระโดดน้ํากักา ร, รดดาลงไปในสระว่ายน้ำเนี่ยสอนการกระโดดน้ําลงไปนีมันเกิดพลาดท่ า, าสิษะเนี่ยมันไปกระแทกถือพื้นก้นสะเลยเนี่ยหัวมองพื้นเลยก็ทําให้กระดูกเนี่ยต้นคอข้อที่ห้าเนี่ยมันก็หัก กมีผลทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยต้องพิการตลอดชีวิตไม่มีความรู้สึกชุวยเลือตัวเองไม่ได้ร่างกายต้องพิการมันก็มีผลทน้านจิตใจใจก็เลยต้องเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้จึิงๆเริ่มรู้จักหรออ๋อทุกข์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวละมันเกิดทันทันจิตใจเริ่มรู้จักจิตใจนะ มันก็รู้สึกรู้สึกเสียใจว่าเอ๊ะเมื่อร่างกายเราเนี่มันไม่แข็งแรงแล้วใจเราจะดีได้อย่างไรตลอดชีวิตเราคงจะเอาดีทั้นท่าจิตใจไม่ได้มันก็เลยคิดแล้วก็เครียดแต่ก็ยังไม่หมดความพยายามที่จะพยายามรักษาร่างกายให้มันหายเป็นปกติคือมุ่งรักษากายต่อไปเรื่อยๆรักษาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยที่โรงพยาบาล มันก็ไม่ได้ผลก็ยังเดินไม่ได้ต่อมาออกจาโรงพยาบาลแล้วก็ไปรักษาแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกก็ก็พวกบีบนวดยาสมุนไพรกระทั่งสายสาศาสตร์เข้าทรงหมอดูสารพัดอย่างจะทำไงให้ร่างกายมันดีซึ่งในที่จริงแล้วเนี่ย เรื่องวิยาศาสตร์ต่างๆเรื่องหมอดูเรื่องเข้าทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยเพื่อให้จิตใจอย่างนั้นเลยแต่เราเข้าใจเราก็มีดีเพราะเราไม่ค่อย ไ, ได้ศรัทธาเรื่องแบบนี้เมื่อร่างกายไม่หาก็ต้องเลิกลากันไปก็รักษาร่างกายจนะทั้งหมดหมดบัญญาแล้วก็เลยสิ้นหวังกับร่า ง, างกายก็ต้องเลิกไว้ก่อนเลิกไปก่อนทีน่จะว่าเมื่อตอนที่ผม พิการใหม่ๆจะมีโรคแทรกอีโกโรคหนึ่งคือโรคที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องลมในกระเพาะอาหารคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวจะมีลมในกระเพาะอาหารมากมันก็มีอาการท้องอืดจุกเสียบแน่นผมจะทานยาที่ทานเป็นประจำก็คือยาขับลมที่ชื่อว่าอะไรมิกเ r อร์คามีเนทานเป็นประจำตอนนั้นขวดใหญ่ๆนะขายขวดยี่สหาบาทเนทะ่านั้น ก็ทานมาเรื่อยๆจนกระทั่งอาการที่เป็นที่ว่าขับลมในกระเพาะเนี่ยไปใหมก่ก็ก็รักษาได้หรอกต่อไปมันก็ดื้อยาทานจนกระทั่งขวดยี่สิบห้าบาทราคาสูงขึ้นจนกระทั่งเป็นสี่สิบห้าบาทก็เลยบอกว่าเอาละร่างกายพอกันทีแค่นี้ไม่ต้องพยายามขนขวายแล้วเรามุ่งมารักษาทา่านจิตใจบ้าง แพทย์แผนปัจจุบันก็นแล้วแพทย์ทางเลือกก็แล้วไม่ได้ผลก็เลยมาใส่รักษาทางด้านจิตใจอาศัยธรรมโอสดผมเรียกว่าแพทย์ทางรอดรอดออกจากทุกธรรมโอสดเนี่ยผมว่าเป็นแพทย์ทางรอดพาจิตฟ่าใจของเราเนี่ยรอดออกมาจากความทุกข์ได้เนี่ยผมรักษา สแพทย์แหลแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือดแล้วก็แพทย์ทางรอดรักษาแพทย์ทางรอดด้วยการปฏิบัติธรรมอาศัยธรรมโอสถการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยาเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเพื่อรักษาตัวเราจริงๆรักษาโดยเพราะจิตใจปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมเพื่อ ให้มารู้จักตัวเราเองและรู้จักตัว เ, เองทำไมก็รู้แล้วทำให้เราพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อมารู้จักตัวเองแล้วก็ให้พ้นทุกข์ได้มันก็ตรงจริตของเราเลย <Okay. S 1> ก็สายการปฏิบัติธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมะที่วัดไหนก็ศึกษาที่บ้านปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่อะไร เริ่มต้นที่การเจริญสติเพราะว่าปัญหาของผมนี่ไม่ใช่เฉพาะร่างกายอย่างเดียวนะจิตใจเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านจิตใจฟุ้งซ่านคิดมากจิตใจเลื่อนลอยไม่อยู่กันได้กับตัวเป็นเพราะว่าเราไม่มีหลักจิตไม่มีหลักให้เกาะถ้าทนทีนน่จิตอยู่กับกายแต่จิตก็สามารถเลื่อนไหลเลื่อนลอยไปตามความคิดตามอารมณ์ที่มาปรุงแต่งได้ เพราะจิตเนี่ยมันไม่มีหลักอันเนี้คือปัญหาสําคัญนะอ น, นอนไม่หลับฟุ้งซ่านอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดบางทีก็อยากร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องบางทีอยากตายให้รู้แล้วรอดไปเลยแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมีความน้อยอกน้อยใจเจ้าอารมณ์อันเนี้ยปัญหาคนที่มีความทุกข์จะมีอย่างเงี้ยน้อยใจ เจ้าอารมณ์แล้วก็ชอบประชดประชานตัวเองอันนี้เป็นปัญหาของคนที่มีความทุกข์แล้วก็เลยมาฝึกเจริญสติฝึกสติให้จิตใจเนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวสติเนี่ยหมายถึงความระลึกได้สติทำจิตใจเราไม่ให้มันเลื่อนลอยไปอารมณ์ต่างๆสติคือสิ่งที่นำเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิต สติคือตัวที่ผูกจิตให้อยู่กับปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยตรงกับตำลานะแต่ในความรู้สึกเนี่ยในสภาวะมันเป็นอย่างนั้นพูดตามสภาวะแต่ก็ไม่ได้แค่อาศัยตำลาแต่ก็ไม่ไม่พ้นตำลา <c oughs> ก็ฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยฝึกให้มันรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องให้จิตอยู่กับปัจจุบัน ถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตมันก็จะไม่ฟุง้งซ่านไปเสียดายอาดีตไปกังวลถึงอนาคตมันแก้โรคประสาทแก้โรคจิตทําให้เรานอนหลับได้สบายเลยเพราะการเจริญสติในชีวิตประจําวันาอาจจะทําได้ไม่เหมือนใครอาจจะไม่ได้นั่งหลับตาอาจจะไม่เดินจงกรมก็พมก็นอนปฏิบัติเนี่ยอย่าเมื่อกี้มีคนถามว่าเอ๊ะฝึกสติฝึกสมาธินอนทําได้ไหม ได้ไหมได้โอ้พุทธศาสนาเนี่เปิดกว้างให้กับคนทุกระดับนอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้ยืนก็ทาได้เดินก็ทำได้อิริยาบดสี่อ่ะผเจ้ากำหนดไว้ว่าทำได้ทางนั้นขึ้น๋ยวก็ว่าเราทูกเจริญกับอิริยาบทไหนคนที่ถนัดนั่งก็นั่งคนที่ถนัดเดินก็เดิน คนถนัดยืนก็ยืนคนถนัดนอนนั่งดีกว่าเพราะว่าอียบด์นอนนั่นสำหรับคนที่เดินไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนนะหรือคนที่ถึงเวลานอนแล้วก็นอนปฏิบัติก็ไม่เป็นไรไม่หา้ามเพียงแต่ว่าการนอนปฏิบัตินะั้นมันใกล้กับความง่วงใกล้กับกิเลสเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีเขาไม่ให้เดินจงกรมมาใกล้ที่นอนเชอะนะ เล่จงกรมมาใกล้ที่นอนเนี่ยมันดูดนะมันดูดลงไปนอนเลยเขาบอกผีที่นอนมันรุนแรงมากว่าให้เดินไปห่างที่นอนหาห้องนอนไว้อย่าไปใกล้เพราะฉะนั้นนอนปฏิบัติก็ได้คําว่าสติหรือสมาธิเนี่ยไม่เกี่ยวกับการนอนการนั่งการยืนการเดินสมาธิมันอยู่ที่จิตถ้าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นถ้านอนแบบจิตตั้งมั่นมันก็เป็นสมาธิได้ เดินแบบดดจิตตั้งมั่นก็มีสมาธิได้การปฏิบัติเป็นการฝึกจิตใจโดยตรงไม่เกี่ยวกับเริยาบทอรียบบทนะั้นเป็นเพียงแค่เครื่องช่วยให้เราได้ปฏิบัติได้สะดวกเท่านั้นเนี่เพราะฉะนั้นไม่สําคัญนะออียบบทไหนก็ปฏิบัติได้ผมยืนยันได้เพราะว่าผมนอนปฏิบัติแต่ก่อนเนี่ยผมนั่งแบบนี้ได้ไม่นานเลยถ้านั่งหลับตาเนี่ยผมจะโค่อนออกมาจะรดเข็นเลยเพราะผมนั่งไม่อยู่ต้องอาศัยมีที่พิง นั่งหลับตาก็ไม่ได้แล้วนั่งรถเข็นเนี่ยหมดสติจะหลับเลยมีสิทติจะโค่นลงไปได้ผมก็ต้องนอนปฏิบัตินอนเจริญสตินอนพลิกมือเล่นเนี่ยหลับตาก็ไม่ได้นะหลับตาเดี๋ยวมันหลับในเลยก็ต้องลืมตาก็นอนลืมตาถ้านอนนิ่งๆก็มีสิทติจะหลับไปเหมือนกันต้องมีการเคลื่อนไหวผมจะเจริญสติแบบเคลื่อนไหว นนอนพลิกมือรู้สึกนอนพลิกมือความรู้สึกพลิกมือหงายรู้สึกความรู้สึกส่วนการเคลื่อนไหวของกายที่ผมจะใช้ได้คือมือเนี่ยส่วนอื่นมันเคลื่อนไหวไม่ได้ละมีมือกับศรีรษะเท่านั้นเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติตามรู้แปลการเคลื่อนไหวนอนทํนะนี่เวลานอนทํเนี่ยมันก็มีอารมณ์หลายอย่าง ที่เราต้องเผชิญหน้ามีทั้งความง่วงมีทั้งความคิดมีทั้งความเบือ่อมีทั้งความขี้เกียจเยอะแยะหมดเลยซึ่งมันไม่ได้มาการนอนหรอกมันมากับจิตใจที่เราปรุงแต่งเพราะว่าหลักเนี่ยไม่ค่อยดีแต่พอเรามาฝึกสตินานๆเนี่ยขยันทำโดยที่ไม่ไม่ทอนะ้อแท้ขี้เกียจก็นอนพลิกมือไป เบื่อก็นอนลิกมือไปมัน ง, ง่วงก็ฟลิกมือไปมันคิดก็ฟลิกมือเอาเรื่องเดียวคือจิตแน่วแน่อยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดอยู่คือตัวกรรมาฐานคือกายที่มันเคลื่อนไหวสติรู้กายเคลื่อนไหวสติรู้กายเขาเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานนีอันนี้ผู้เูื่อกสติก่อนนะเดี๋ยวสมาธิจะกล่าวสิสติรู้ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยกายานุปัสนาสติปัฏฐาน เ, เอากายมาเป็นฐานที่ตั้งให้สติเข้าไปรู้มีเทคนิคอยู่ว่าการรู้เนี่ยไม่ได้รู้แบบเข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าไปแนบกับกายที่เคลื่อนไหวไม่ได้เข้าไปเพ่งให้รู้แบบดูดูรู้แบบดูเนี่ยเนียมันไม่ได้เข้าไปอยู่นะเนี่ยอย่างได้รู้กายเคลื่อนไหวเนี่ย คือตัวสติที่ผูกอยู่เป็นผู้รู้แต่กายเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวคือกายสติคือผู้ที่ดูอยู่ถ้าคนวางใจไม่เป็นเนี่ยจะเข้าไปเคลื่อนไหวเลยเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวไม่มีการดูมีแต่การเคลื่อนไหวแต่ถ้าสติที่เราจเจริญถูกต้องเนี่ยมันจะมีเพราะที่ดูขึ้นมากายคือผู้ที่เคลื่อนไหวจิตคือผู้ที่ดูเป็นผู้ดู มันก็สบายนะไม่ต้องเข้าไปเป็นกับเขาแล้วเวลาเรานอนปฏิบัติหรือนั่งปฏิบัติยืนเดินก็ตามมันจะมีพวกเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายมันเกิด อ, อารมณ์ที่มันเกิดการที่ปวดเมื่อยนี่คือเรียกทุกเวทนาสติก็คือผู้ที่ดูอารมณ์แบบนั้นดูอาการแบบนั้นไอ้ที่ปวดที่เมื่อยนั้นมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่เรามาดูทั้ง ผู้ดูไม่ได้เป็นด้วยมันเกิดการแยกโดยที่วางกิจวัตรใจไว้ถูกต้องเวลามันคิดคิดอยากไปนู่นอยากไปนี่ก็เป็นแค่อารมณ์ที่มาสติคือผู้ที่ดูมันคิดไม่ได้เข้าไปเป็นผู้อยากไปด้วยเวลามันเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจไม่สบายใจเบื่อเซ็งนั่นคืออารมณ์สติึงก็เป็นผู้ดู เวลามันเกิดความง่วงเอาเห้อนอนมันอยากจะหลับนั่นคืออารมณ์ที่ผ่านมาถ้าเราขาดสติเราก็ไม่หลับแต่มีสติสติคือผู้ที่ดูความง่วงนะมันเกิดการแยกความง่วงส่วนหนึ่งสติผู้ดูส่วนหนึ่งมันไม่ได้เป็นง่วงด้วยแต่บางทีต้องช่วยมันแก้ไขปกติแล้วเวลาเราง่วงเราต้องลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินให้มันหายไปล้างหน้าล้างตาแต่ผมมันทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกผมต้องนอน นอนสู้กับความง่วงโดยการที่เคลื่อนไหวให้มันเร็วๆเบียบบทที่มันเร็วๆเขาว่าพลิกมือเร็วๆขยับตัวเร็วๆเนี่ยกายที่มันเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็แรงเนี่ยมันช่วยกระตุ้นกระตุ้นจิตให้มตื่นออกมาจากความง่วงอาศัยสติเป็นตัวที่ใช่มันอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ตามสติคือผู้ที่ดูเท่านั้นแหะถ้าวางใจเป็นผู้ดูเมื่อไหร่ก็ มันปลอดภัยมันไม่อยากเรายืนตำแหน่งที่ถูกต้องปลอดภัยผมก็อาศัยกายบ้างจิตบ้างมาเป็นฐานให้สตินี่เป็นผู้ดูทั้งหมดเลยมันก็สบายถ้าเป็นผู้ดูแลเนี่ยสบายเลยอย่างกับนะท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นผมนั่งอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นผู้ดูผมแล้วก็สบายแล้ว ถ้าเข้ามาเป็นคนพิการอย่างผมเนี่ยโอ้ทุกข์มากเลยนะเป็นผู้ดูซะเนี่ยสบายเลยเมื่อมีสติเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยสติมันทําให้จิตเนี่ยมันตั้งมั่นเป็นสมาธิคําว่าตั้งมั่นนี่ไม่ใช่ว่าจักคือจิตจะรู้อยู่ตรงที่ที่อารมณ์ที่เข้ามาสติทําให้เกิดสมาธิที่ตั้งมั่นจิตมันก็ไม่เลื่อนลอย ไปในอารมณ์ที่มากระทบนะเพราตั้งมั่นในเขาเรียกว่าวิหารธรรมคือกายที่มันเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรู้ของสติชั่วขณะนมันเกิดสมาธิได้มันต้องมีสติก่อนนะอยู่ดีจะมีสติมีสมาธิเลยเนี่ยบางทีมันมันไม่ค่อยเกิดสติเป็นตัวนำเอาสมาธิมาคนเจอสติแล้วจะได้ของแถมคือสมาธิด้วย จะเป็นสมาธิระดับไหนนั้นก็อีกแบบหนึง่งพอมีสติมีสมาธิจิตมันก็ไม่เลื่อนลอยจะไม่หลงลืมตัวมันจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเ <Yeah. S 1> นี่ยผมก็อาศัยชิตแต่ละวันเนี่ยก็ทําอยู่นี้แหละตั้งอาชาจนเย็น mm hmm. มันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบระหว่างว่าสติธรรมดากับสติปฐานเนี่ยมันต่างกันคนทุกคนเนี่ยมีสติธรรมดาทั้งนั้นะ เพราะว่าเป็นสติที่เกิดจากสัทธาตญาณสติธรรมดานั้นไม่เป็นสติที่ยึดติดว่าเป็นตัวเราเวล า, เานั่งเนี่ยเราก็ว่าเนี่ยอ๋อนี่เรานั่งวันนี้เรากำลังฟังเรากำลังฟังนะเรากำลังคิด <Yeah. S 1> เรากำลังโกรธเรากำลังทุกข์สติธรรมดาเนี่ยมันมีความเป็นเราอยู่เป็นสติที่ไปกับกิเลสด้วย เรากำลังอยากได้นะอันนี้คือสติธรรมดามันเป็นทุกข์อย่างแก้ปัญหาไม่ได้เพราะยังมีตัวเราอยู่ในในอารมณ์แบบแต่ถ้าสี่ประธานเนี่ยมันเกิดการแยกกายก็ดีเวทนาก็ดีความคิดก็ดีบุญบาปก็ดีเนี่ยมันปี ping ฐานให้สติเนี่ยเป็นผู้ดูสติเป็นผู้ดู มไม่ได้เข้าไปอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดการแยกนี่ถ้าเราสติเป็นผู้ดูแลเนี่ยมันจะเกิดเห็นอขาเรียกว่าไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามีการดูมันย่อมมีการเห็นถ้าสติธรรมดาที่ไม่จเจริญแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นเลยมันจะดูไม่ได้จะเป็นตัวเราไปทั้งหมดเลยเพราะนั้นการเจริญสติบ่อยๆเนี่ยก็เพื่อให สภาวะที่ดูเนี่ยมันชัดเจนสติก็จะเกิดบ่อยๆทำบ่อยๆก็เกิดบ่อยๆเมื่อเกิดความเคยชินเนี่ยมีสติประหานแล้วมันก็จะเห็นจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวใช่ตนจากอารมณ์ที่เราดูคือกายคือใจเห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วมันก็จะถ่ายถอนความยึดมั่นถึงแมก็ปล่อยวางได้มราต้องมีการดูสังเกตดูว่า การดูนั้นเนี่ยจะดูอะให้ชัดเจนเนี่ยมันต้องมีการแยกออกมาดูอะไรก็ตามที่เราเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดเจนถ้าแยกออกมาดูเนี่ยจะเห็นชัดเจนอย่างในห้องเนี้ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นได้ไม่ทั่วห้องจน ก, กว่าจะมองหน้าแล้วมองไปอีกหลังจะเห็นด้านหลังหรือกม้มหรือเงยต้องหันไปครบทิศ ท, ทุกที่ทุกทางจริงจะเห็นชัดเจนเพราะเราเข้าอยู่ในห้อง แต่ถ้าเราไปยืนหยุดหน้าประตูนะมองเข้ามาเนี่ยจะเห็นทีเดียวหมดเลย <Yeah. S 1> เพราะมีการแยกออกไปดู <Yeah. S 1> การเราสติการแยกออกเป็นผู้ดู <Yeah. S 1> มันจึงจะเห็นกายจิตได้ชัดเจน <Yeah. S 1> สติทาหน้าที่รู้ทันอารมณ์ <Yeah. S 1> ปัญญาทรหน้าที่ตัดสินอารมณ์หรือเห็นแจ้ง ในอารมณ์ที่มากระทบสติทำให้ที่รู้ทันปัญญาทำให้ที่เห็นแจ้งในสิ่งที่เรารู้มันตรงนั้นอย่างผมเนี่ยเวลาฝึกสติแล้วเนี่ยมันกลับมาดูตัวเองก็เห็นตัวเองโอ้กายเนี่ยเห็นร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นกายมันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นกายไม่ใช่เป็นเราและกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันมีทุกซ่อนอยู่เดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็เหนื่อย แต่ก่อนไม่มีสติพรเหนื่อยพอหิวเราก็ทุกข์แต่พอมีสติแล้วมันเกิดการแยกเอาให้ความเหนื่อยความหิวความทุกข์ความพิการเป็นเรื่องของกายมันเกิดการแยงระหว่างสติที่เป็นผู้ดูกับกายที่มันเป็นอยู่ถ้าเราขาดสติเราก็เข้าไปเป็นเลยเป็นตัวเราทั้งหมดเลยมันก็ทําให้กายในเบียดเบียนจิตพอกายเป็นทุกข์แล้วที่จิตเป็นทุกข์เพราะจิตมันเข้าไปเป็นไม่ได้ออกมาดู มันก็ไปยึดกายทรให้จิตได่พลอยเป็นทุกข์ด้วยมันก็เบียดเบียดกันพอเราดูกายนานๆเนี่ยมันเห็นว่าโอ๊ยร่างกายมันเหมือนคนป่วยเหมือนคนป่วยทีเราต้องคอยดูแลคอยช่วยคอยแก้ไขสติเป็นเพียงผู้ที่ดูผู้ที่ช่วยเหลือใช่ไมมันสบายตอนที่เห็นมันแยกกันอย่างนี้เนี่ยนี่เรื่องของกายแล้วมันก็จะเห็นในเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งที่เรา ไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันก็คิดปรุงแต่งขึ้นมาดูการานาา ม, มันเห็นจิตใจจิตที่มันปรุงปรุงไปทางความชอบใจความไม่ชอบใจถ้าเราขาดสติเราก็เอาไอ้ความชอบใจนี่เป็นเราชอบใจเมื่อไม่มีสติก็เห็นว่าไอ้ความไม่ชอบใจเนี่ยคือเป็นเราทั้งหมดเลยเอาเราเป็นผู้ที่ชอบใจเราเป็นผู้ที่ไม่ชอบใจเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้ทุกข์ในอารมณ์ในความคิดต่าง โรคจิตโรคภาษาเกิดขึ้นตรงนี้แหละตรงที่เข้าไปเชื่อความคิดเข้าไปเชื่ออารมณ์ที่มันปรุงแต่งว่าเป็นเราจริงๆแต่ถ้าเจริญสติปัฏฐานแล้วมันเกิดการแย ก, กว่ามันไม่ใช่เราเมื่อจิตใจมันคิดปรุงแต่งในความชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีเนี่ยมันไม่ทุกข์ถึงกายถ้ามีสติรู้นะจะไม่ทุกข์ถึงกายคนเราในเวลากระทบอารมณ์ไม่ชอบใจเนี่ย บางทีกลับเอาไปนอนคิดเนี่ยปรุงแต่งทําให้ร่างกายเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะบางทีจิตมันปรุงแต่งในทางดีใจการดีใจเนี่ยมันก็ทําให้จิตมันผิดปกติก็มีผลทําให้ร่างกายเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันเชื่อไหมการดีใจแล้วบาคนกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่สะดวกมันดีใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียใจก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นแม้ว่าจิตเนี่ยมันเข้าไปยึดไออารมณ์เหล่านั้นเป็นตัวตนของเราก็เรียกว่าถ้าเราไม่มีสติรู้ทันกายกายมันก็เบียดเบียนจิตถ้าเราไม่มีสติรู้ทันในความคิดจิตมันก็เบียดเบียนกายด่าง่ายต่างเบียดเบียนกันไม่ไปทําต่อกันใช่ไหมเนี่แหละมันเป็นปัญหาความทุกข์ก็คือตรงเนี้เนี่ยอย่างผมนี่มันมีจุดจุดหนึ่งที่เรียกเป็นเป็นปมที่มันค้างคาใจมานานเมื่อก่อนการปฏิบัติ พอฝึกเจริญสติแล้วเนี่ยมันเห็นปมเห็นปมที่มันเป็นสิ่ที่ค้างคาใจไว้สิบหกปีอ๋อที่เราเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันหลงไปยึดติดว่าไอ้กายทพิการเนี่ยเป็นเราผู้พิการไปรยึดติดความคิดว่าเรากู <c oughs> เป็นผู้พิการแล้วเรากูอยากเจริญความพิการมันมีความเป็นกับความไม่อยากอย่างเงี้ยมันคือเรื่องของความคิดมันคือความคิด จับได้แล้วทันไอ้ความคิดที่มันยึดติดว่าเป็นตัวตนเนี่ยมันสร้างปัญหาเป็นปมที่มันค้างคาใจตัวตนตัวเรามันมาจากความคิดแต่นั้นถ้าไม่มีความคิดตัวตนไม่เกิดแต่ความคิดเราห้ามไม่ได้ถ้ามันคิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันตัวตนก็ไม่เกิดเหมือนกันใครเป็นผู้รู้ทันความคิดก็คือสติใครเป็นผู้รู้แจ้งก็คือตัวปัญญาพอจับ ได้อะไรทำตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่เอาละกายกับจิตยึดกมันไม่ได้ประเด็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นเลยกายมันก็มีความทุกข์อยู่ในตัวต้องกอช่วยแก้ไขจิตมันก็ทุกข์ในตัวเดี๋ยวมันก็ชอบไดีมันก็ไม่ชอบเวลาจิตพลิกตัวไปคิดปับ๊บมันทำให้ตัวมันเองเหน็ดเหนื่อยเห็น ไ, ไหมคิดแต่เรื่องนิเหนื่อยไหมคิดเรื่องดีเหนื่อยหมเหนื่อยทั้งนั้น พรจิตมันคิดปั๊บจิตมันก็ทำหน้าที่แบกภาระมันต้องเหนื่อยแต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยจิตมันก็จะคิดโดยธรรมชาติเป็นผู้ดูจิตที่มันคิดไม่ได้เข้าไปคิดกับมันมันก็ต้องเบาสบายส่วนจิตก็รับหน้าที่แบกหน้าที่คิดไปเถอะเห็นไหมมันเกิดการแยกระหว่างตัวปัญญาที่เป็นผู้ดูกับจิตที่มันคิดรุงแต่งจับได้แล้วทาตรงนี้มันก็ไม่อยากยึดติดแล้วกายก็ไม่อยากได้แล้ว จิตก็ไม่ชอบแล้วบางทีปฏิบัติไปเนี่ยบางทีมันขี้เกียจคิดนะเคยไหมขี้เกียจคิดมันขี้เกียจคิดดื้อๆนะนะอย่างผมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเรื่องการคิดเนี่ยว่าคิดดีมากแต่พอค่ําลงเนี่ยมันจะปิดสวิทช์เลยมันจะไม่อยากคิดอะไรเลยนะแม้เราจะพยายามจะคิดมันก็ไม่คิดนะมันจะปิดสวิทช์นอนถ้าอดีตของสองสองทุ่มเตรียมตัวหลับแล้วเรื่องง่ายๆก็ไม่อยากคิดแม้คิดมันก็ไม่ค่อยดีมันเลยบ่งบอกว่าจิต เราไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้มันทําหน้าที่ตามที่เราบอกได้เราดูบ่อยๆจะเห็นว่ามันบางทีมันก็คิดเองบางทีมันก็ยึดมั่นถือมั่นบางทีก็ปล่อยวางมันเองอ๋อจิตมันทําที่ของมันเองหมดเลยเราไม่ได้ไปทําอะไรนะเห็นอาการที่มันทําที่ของมันเองมันยึดติดมันก็ทุกข์เองอะเนี่ยมปนเรื่องของจิตแต่งนั้นเลยพอสุดท้ายสรุปลงที่จิตใจทต่เงี้นเลยพอเห็นตรงนี้เข้าใจตรงนี้เท่ากับเป็นการ คลี่คลายอมที่มันค้างขาใจออกไปจากจิตใจเมื่อเกิดภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือจิตที่มันเบาจิตมันเบาอ๋อมันเบาเวลามันไม่ยึดเนี่ยมันเบาตัวเวลามันยึดมันก็หนักมันก็เบาเพราะจิตเบาเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยมันเบาร่างกายที่พิการอ้ำหนักมันรู้สึกมันเบาเบากายเบาใจมันไม่เหมือนกับว่าเราเคยแบกของหนักมานานแบกของหนักไว้นานจนมาถึง วันหนึ่งเราวางของหนักลงเนี่ยมันก็รู้สึกเบาผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอ๋อจิตมันเบาแต่ร่างกายอย่งพิการมันเดิมนะอย่างร่างกายไม่มีอะไรมันดีขึ้นเลยเพียงแต่ว่าเต่ว่าสุขภาพมันก็ดีขึ้นมาบ้างมันสามารถที่จะประคองตัวมันได้ในสภาพที่พิการโดยที่ไม่แย่ลงไปกว่าเดิมแต่ว่าก็ต้องตามไว้ดียังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บธรรมดาจึงไม่เห็นว่า สิ่งที่สำคัญในชีวิตเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีใจเป็นผู้นำจิตเนี่ยเป็นผู้นำจิตเป็นใหญ่สำคัญที่จิตคนเราเนี่ยจะมีความสุขหรือทุกเนี่ยมนอยู่ที่จิตเป็นสำคัญให้ความสำคัญที่จิตใจมากถ้าจิตใจดีแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละอารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีสุขภาพจิตก็ดี กินอาหารก็อร่อยนอนก็หลับถ้าจิตดีทํางานก็สนุกไปสู่กับการทํางานต้องานด้วยจิตที่ดีๆและสําคัญก็คือมโรโ่ในแง่ดีด้วยจิตดีนีมอโรโรในแง่ดีนะถ้ามโรในแง่ดีนดี่มันกระตือรือร้นที่จะทํางานกระตือร้นที่จะแก้ปัญหาเวลามีปัญหามาที่เราต้องไปเชิญหน้ากับเขามันมีกําลังใจที่จะฝ่าฟันวบาทีมันท้นทาทายปัญหาไม่กลัว ที่อาฝ่าปันเนี่ยนี่เริ่มจากจิตที่มันดีสุขภาพมันดีนอนหลับสบายกินิ่มนอนหลับทายสะดวกเพราะฉะนั้นสําคัญที่จิตใจก็ยังนลีย้อนไปถึงตอนต้นที่บอกว่าที่มีชาวฝรั่งเขพูดว่าจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงก็ได้หันไปดูตรงนี้อ๋อจิตใจที่ดี ย, ออย่อมในร่างกายที่แข็งแรงแสดงว่า ต้องให้กายดีซะก่อนจิตจริงจะดีใช่ไหมต้องให้กายดีซะก่อนจิตจริงดีถ้าคิดอย่างเนี้ผมคงจะหมดโอกาสที่จะมีจิตดีได้เพราะร่างกายเนี่ยผมต้องพิการตลอดชีวิตมันดีไปไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอให้ร่างกายเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราไม่ง้อมันก็ได้เพราะว่าจิตนี่มันสําคัญแม้ว่าจะอาศัยร่างกายอยู่เราไม่ง้อร่างกายก็ได้หมายถึงว่าไม่ต้องไปฝืนให้มันดีก็ได้ตามสภาพ สู้เรามาฝึกจิตฝึกจิตให้มันดีไว้ดีกว่าฝึกจิตให้มันดีดีกว่าในที่พุทธเจ้ากล่าได้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนําสุขมาให้ท่านบอกว่ากายฝึกดีแล้วนาสุขมาให้ไม่ใช่ท่านบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้มันก็เป็นจริงพิสูจน์มาแล้วว่าอ๋อาาจิตที่เราฝึกดีแล้วมันนําสุขให้เราจริงๆไม่ว่าร่างกายจะพิการมันก็ไม่สําคัญถ้าจิตดีเนี่ยมันสามารถดูแลร่างกายที่พิการได้ พาความพิการไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ได้เนี่ยนี้เกิดจากจิต ท, ที่ดีผมเลยคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคำ น, นิยามหรือความหมายของชีวิตไล้ว่าชีวิตนั้นหมายถึงความสดชื่นเบิกบานชีวิตคือความสดใสเบิกบานเราจะเรียกว่าเนี่ยมีชีวิตชีวาชีวิตคือความสดใสเบิกบานเรามีชีวิตชีวาถ้าว่าเรามีร่างกายที่ดีสมบูรณ แต่ถ้าใจเรามีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์มันดูเหมือนจะแห้งแล้งอ่ะมันเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาแม้ร่างกายดีแต่จิตใจนี่มั น, ม, นมันมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองซึมเศร้ามันก็เหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาบอกว่าเออความหมายของชีวิตนี่มันต้องมีความสดใสเบิกบานแม้ร่างกายจะพิการหรือจะมีโรคภัยกระเจ็บก็ไม่สําคัญแต่จิตสามารถสดใสเบิกบานได้เสมอมันจะเป็นน่าจะเป็นความหมายของชีวิตที่ดีกว่า เคยมีคนมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ว่าอาจารย์อยู่ในสภาพที่ร่างกายพิการได้อย่างไรอาจารย์อยู่ในสภาพร่างกายที่พิการได้อย่างไรอาผมก็ตอบไปว่าเราอยู่ในสภาพร่างกายที่พิการด้วยจิตใจที่รู้ความจรงิงรู้เท่าทันรู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตและก็อยู่กับความจริงนี้ได้ด้วยการพอใจและก็ยอมรับมัน ใจมันก็เลยไม่มีปัญหาใจใมีปัญหาร่างกายอาจจะมีปัญหาบ้างความไม่สะดวกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ร่างกายแต่เราคิดว่าความไม่สะดวกเนี่ยมันความเป็นปกติของเรามันไม่ใช่ปัญหาถ้ามองสิ่งนั้นเป็นความปกติเราเราสิ่งนั้นจะไม่ใช่ปัญหาเลยมีคนเขาบอกไว้ว่าคือชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันย่อมมีการแก้ไขถ้าไม่มีการแก้ไขเนี่ย แต่ว่านั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหามันต้องแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเขยิีงคำพูดนี้ไหมปัญหามันย่อมมีการแก้ไขเสมอนะถ้าไม่มีการแก้ไขแสดงว่าไม่ใช่ปัญหาผมเลยว่าอ๋อความพิการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะมันแก้ไขไม่ได้พอคิดอย่างนี้ล้วเนี่ยเออ้ใจมันก็สบายได้เหมือนกันนะจึงยกว่าร่างกายที่พิการมันเป็นเรื่องของกาย แต่ใจที่ไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราก็เลยได้คําตอบชีวิตอ๋อจิตสดใสแม้กายพิการเนี่ยมันมีจริงพิสูจน์ได้ด้วยการอาศัยธรรมโอสถเนี่ยเป็นแพทย์ทางรอดพาจิตพาใจออกจากความทุกข์ได้ปัจจุบันนี้ก็ยังพิสูจน์ได้อยู่เรื่อยๆวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันแบ่งปันในหัวข้อที่ว่าจิตสดใสแม้กายพิการก็ ก็รู้สึกยินดีที่ได้มาพูดคุยนะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ออยกระทรวงสาธารณสุขที่จริงแล้วอย่ากจะพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่พูดไปพูดมามันไม่ลงอย่างนี้ได้ไงบางทีพูดแล้มองหน้าคนพูดเรื่องเลยประเด็นแลเปลี่ยนไปก็มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกอาชีพทําได้ทุกคนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ ขอให้เราเปิดใจก้างว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเจริญสติเริ่มต้นจกการเจริญสติรู้กายรู้ใจในการใช้ชีวิตประจําวันการมีสติแต่ละครั้งเนี่ยถ้า เ, าเป็นการสั่งสมบุญบา ร, รมีคือบา ร, รมีธรรมให้มีมากยิ่งขึ้นมันช่วยพัฒนาให้จิตใจเนี่ยยกดับจิตใจให้มันสูงขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นขอให้วางจิตบรใจารว่า การทําหน้าที่บางทีมันก็เกิดปัญหาบางทีก็เกิดอุปสรรคมันเป็นเรื่องธรรมดาทําหน้าที่ต้องมีอุปสรรคแต่ขอให้เรารู้จักแบ่งแยกว่าอุปสรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานแต่ความไม่ทุกเนี่ยต้องเรื่องของใจเราเลือกไม่ทุกไว้ก่อนถ้าใจไม่ทุกเนี่ยมันจะแก้ปัญหาแก้อุปสรรคได้ทุกครั้งที่มีสติรู้เท่าทันอุปสรรคนั้นใจไม่ทุกแล้ว แม้ว่าโอซักยมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์แล้วคนเราจรึงมีงานต้องทำาอ็นสองอย่างคืองานภายนอกกับงานภายในงานภายนอกคือทาหน้าที่ที่เราสมมุติกาลังปฏิบัติอยู่ให้ถูกต้องให้ดีที่สุดแต่ภายในคือรักษาใจให้เป็นปกติไม่ทุกข์ไว้ก่อนอย่างนี้แหละจะได้ทั้งงานข้างนอกและงานข้างในวิธีจใจใจไม่ทุกข์นั้นก็ต้องมีสติ รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกภายในคือเรื่องของภายนอกกับเรื่องของจิตใจถ้าเราวางใจอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ผลอย่างรัดๆก็ลองทำดูนะลองทาดูเนี่ยก็ก็อยากจะอวยวารทุกท่านว่าในวารโอกาสวันนี้ที่ผมได้มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เล็ก น, น้อยก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก่อนน้อยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความสดใสเบิกบานของจิตใจแม้ร่างกายไม่พิ ก, การด้วยกันทุกท่านทุกคน